วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สิบห้าตุลาคมพุทธศักราชสอง6้าเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตฝ่ายธรรมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษา พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระคุณอันประเสริฐมีปัญญาอันเลิ่นโลกที่ไม่มีใครมีเทียบเท่าได้การฟังเทศฟังธรรมมีคุณมีประโยชน์อยู่ห้าประการด้วยกันคือหนึ่ง จะได้ยินได้ฟังทมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองทมที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วถ้าได้ฟังซ้ำอีกก็จะทำให้เกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับสามจะช่วยกําจัดความสงสัยต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ 4. จะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องหรือปัญญาและหจะทำให้จิตใจสงบผ่องใสมีความสุขนี่คือประโยชน์ที่จะได้จากการฟังเทศฟังธรรมแต่การที่จะได้รับประโยชน์จากการฟังเทศฟังธรรม อย่างสมบูรณ์อย่างเต็มร้อยผู้ฟังก็ต้องมีการฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบคือร่างกายก็ต้องนั่งเฉยเฉยไม่เคลื่อนไหวไม่มีการกระทำอะไรต่างๆ่าวาจาก็ต้องสงบคือไม่พูดคุยกันใจก็ต้องสงบ คือไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ให้จิตใจมีสติจดจอ่ออยู่กับการฟังเทศฟังธรรมเพียงอย่างเดียวถ้าสามารถรักษากายวาจาใจให้ตั้งอยู่ในความสงบได้อ น, นิสงคือคุณประโยชน์จากการฟังเทศฟังธรรม ก็จะเกิดขึ้นอย่างน้อยก็ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายหลายข้อก็เป็นไปได้แล้วแต่ความสามารถของผู้ฟังว่าจะสามารถพิจารณาตามได้หรือไม่ถ้าพิจารณาตามไม่ได้คือไม่เข้าใจความหมายของธรรมะที่ได้ยินได้ฟัง แต่มีสติจดจอ่ออยู่กับการฟังไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะได้ความสงบสุขเรี <Okay. S 1> ว่าไ ด, ได้สมาธิได้สมาธิจากการนั่งฟังธรรมบางท่านเวลาฝึกสมาธิถ้าให้นั่งดูลมหายใจหรือนั่งบริกรรมพุทโธจะนั่งได้ไม่นาน แต่ถ้ามาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็นั่งฟังเสียงธรรมไปเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆก็สามารถนั่งสมาธินั่งธรรมใจให้สงบนิ่งได้ตลอดระยะของการฟังธรรมซึ่งก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงด้วยกันสำหรับผู้ที่ยังมีสติ ที่ยังมีกำลังไม่มากพอการใช้การฟังเทศฟังธรรมเป็นเครื่องกล่อมใจก็สามารถที่จะทำได้ทำให้ใจนิ่งทำให้ใจให้สงบได้ในระดับหนึ่งอาจจะไม่ถึงระดับอับอบปปนาสมาธิหรือขณนิกะสมาธิก็ตาม ใจก็จะมีความว่างเย็นสงบสบายแลถ้าสามารถที่จะนั่งต่อไปได้หลังจากการแสดงธรรมเสร็จแล้ว mm. ก็ให้นั่งดูลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆ mm. ถ้าดูลมหายใจเข้าออกไปได้เรื่อยๆไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆ ใจก็จะสามารถเข้าสู่คณิกะสมาธิหรืออัปปนาสมาธิได้อย่างแน่นอนนี่คือวิธีการนั่งฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดความสงบสุขโดยความผ่องใสแก่จิตใจแต่สำหรับท่านที่มีความสามารถที่จะพิจารณาสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง พิจารณาตามได้พิจารณาว่าเรื่องนั้นเป็นอย่างนี้เพราะเรื่องเพราะเกิดจากเรื่องนั้นเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะเกิดจากเรื่องนี้คือพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลตามได้<ม>ก็จะสามารถได้สัมมาทิฏฐิคือได้ปัญญาได้ความเห็นที่ถูกต้องได้ความรู้ความชราที่สามารถที่จะเอามา กำจัดความสงสัยต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้เช่นก่อนที่เราจะศึกษาฟังเทศฟังธรรมเราอาจจะสงสัยกันว่าเวลาที่เราตายไปแล้วนี่ใครจะไปเป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปและผลบุญผลบาปที่เรียกว่าสวรรค์หรือนรกนี้อยู่ที่ไหนกัน เพาถ้าเราดูที่ร่างกายเป็นหลักถ้าเราดูว่าเราชีวิตของเรามีเพียงแต่ร่างกายพอร่างกายตายไปแล้วก็จะไม่มีใครไปรับผลบุญผลบาปต่อไปเพราะว่าร่างกายเมื่อตายไปก็จะย่อยสลายกลับคืนสู่ธาตุเดิมคือธาตุทั้งสี่เด่นน้ํานมไฟไป แล้วใครจะไปเป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปคือสวรรค์หรือนรกน่าสวรรค์นี้อยู่ที่ตรงไหนนรกอยู่ที่ตรงไหนถ้าว่าสวรรค์อยู่บนท้องฟ้าสมัยนี้เขาก็มียานอาวากาศขึ้นไปสำรวจถึงในอาวากาศถึงโลกพระจันทร์ถึงดาวอังคารถึงดาวต่างๆ แต่ก็ไม่ปรากฏมีสวรรค์ไม่เห็นมีผู้คนอยู่บนในอวกาศกันหรือถ้าว่าอยู่ภายใต้น้ําใต้ดินก็มีการส่งเรือสำรวจใต้น้ําลงไปดูภายใต้น้ําหรือเจาะเข้าไปในแผ่นดินแล้วหย่อนกล้องลงไปเข้าไปหาดูว่านรกมีหรือไม่ ก็จะไม่เห็นนรกอยู่ภายใต้น้าหรือใต้ดินแต่อย่างใดเพราะว่านี่ไม่ใช่เป็นที่ตั้งของนรกหรือท้องฟ้านี้ก็ไม่ใช่เป็นที่ตั้งของสวรรค์และผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปผู้ที่จะไปอยู่สวรรค์หรืออยู่นรกนี้ก็ไม่ใช่ร่างกายชีวิตของเรานี่ นอกจากเรามีร่างกายแล้วเรายังมีอีกเครื่องหนึ่งของชีวิตของเราที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาแต่เป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อร่างกายผู้นั้นก็คือใจคือผู้ที่มีความสามารถที่จะรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆได้ผู้นี้ไม่ได้อยู่ในร่างกาย ไม่ได้อยู่ในสมองอย่างที่ทางนักวิทยาศาสตร์ได้วิเคราะห์กันผู้ที่มีความสามารถที่รู้สึกนึกคิดได้นี้อยู่อีกมิติหนึ่งหรืออีกโลกหนึ่งที่เราเรียกว่าโลกทิพย์ผู้รู้ผู้มีความรู้สึกนึกคิดนี้แหละเป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะส่งกระแสของการรับรู้ ทางตาหูจมูกเล่นกายมาเกาะติดที่ร่างกายมาเกาะที่ตาหูจมูกเิ้นกายเพื่อที่จะได้รับรูปเสียงกลิ่นรสผดพะชนิดต่างๆที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกเล่นกายร่างกายนี้เป็นเหมือนกับเครื่องมือเท่านั้นเองเหมือนกับกล้องถ่ายรูปหรือเหมือนกั บ, บไมโครโฟนที่เอาไว้ใช้รับ รูปรับเสียง mm hmm. กล้องมีหน้าที่รับรูปไมโครโฟนมีหน้าที่รับเสียง mm hmm. ตาของร่างกายก็มีหน้าที่รับรูปหูก็มีหน้าที่รับเสียงแต่ร่างกายนี้ไม่รู้ว่ากำลังรับรูปอะไร mm hmm. กาลังรับเสียงอะไรร่างกายนี้ไม่มีความสามารถที่จะรับรู้อะไรได้ทั้งสิ้น mm hmm. ผู้ที่มีความสามารถที่จะรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะที่เข้ามาสัมผัสกับตาหูจมูกวิ้นกายนี้คือใจผ่านทางกระแสที่เรียกว่าวิญญาณกระแสวิญญาณนี้เป็นตัวที่มาเชื่อมต่อระหว่างใจกับร่างกายร่างกายอยู่ในโลกกระแโลกของดินน้ำลมไฟ ส่วนใจนี้อยู่ในโลกทิพย์โลกของดวงวิญญาณต่างๆแต่สามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้เหมือนกับที่เวลาที่นักวิทยาศาสต ร, ร์ส่งยานอวากาศขึ้นไปสำรวจดวงดาวต่างๆยานอวากาศนี้ก็จะมีเครื่องมือเช่นมีกล้องถ่ายรูปมีเครื่อง วัดความสูงต่ำความอะไรต่างๆรับเสียงต่างๆได้แล้วก็มีเครื่องส่งและเครื่องรับที่จะสามารถส่งสิ่งต่างๆที่ยานสำรวจไปไปพบเห็นผ่านทางกล้องได้ยานสำรวจก็จะส่งภาพที่ถ่ายด้วยกล้องนี้ มาสู่ผู้ควบคุมยานอวกาศผู้ที่อยู่บนโลกนี้เชื่อมกันได้อย่างไรก็เชื่อมต่อกันได้ด้วยกระแสวิทยุนี่สัญญาณวิทยุเหมือนกับที่เราใช้สัญญาณวิทยุเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือกันเรามีโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งเพื่อนเรามีอีกเครื่องหนึ่ง อยู่คนละทิศคนละทางก็สามารถที่จ ะ, ะติดต่อกันได้เพราะมีสัญญาณวิทยุที่สามารถที่จะเชื่อมเครื่องโทรศัพท์2เครื่องให้ติดต่อกันได้อั <inaudible> น, นนี้ก็เหมือนกันนักวิทยาศาสตร์ที่ควบคุมยาณอวกาศไม่ได้ขึ้นไปกับยานอวกาศอยู่บนโลกนี้แล้วก็ใช้กระแสสัญญาณวิทยุนี้ เป็นผู้สั่งการให้ยานอวากาศนี้ทำอะไรต่างๆให้ถ่ายภาพให้บันทึกเสียงให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งได้ส่วนยานอวากาศก็สามารถที่จะถ่ายรูปบันทึกเสียงหรือวัดอะไรต่างๆเช่นอุณหภูมิแล้วก็ส่งมาให้กับผู้ควบคุมยานอวากาศที่อยู่บนโลกนี้ได้ ผ่านกระแสวิทยุอันนี้ก็เหมือนกันใจกับร่างกายนี่เชื่อมต่อกันด้วยกระแสของวิญญาณเขาเรียกว่าวิญญาณในขันห้าวิญญาณที่มีอยู่ห้าสายด้วยกันห้าสัญญาณห้าห้าช่องด้วยกันเหมือ น, นกับสั ญ, ญญาณวิทยุเขามีแบ่งเป็นช่องๆสัญ ญ, ญาณโทรทัศน์เนี่ย มีช่องสี่ช่องสามช่องเจ็ดช่องเก้าอันนี้ก็เหมือนกันใจก็มีสัญญาณที่สามารถที่จะเชื่อมต่อกับร่างกายอยู่ห้าช่องด้วยกันคือช่องตาช่องหูช่องจมูกช่องลิ้นช่องร่างกายพอมีการเชื่อมต่อกันเวลาที่ตาหูจมูกลิ้นกายไปสัมผัสรูปเสียงกินลด ก็จะส่งไปที่ใจผ่านกระแสของวิญญาณนี่วิญญาณเป็นผู้มารับรูปเสียงกลิ่นรสผธพระจากตาหูจมูกลิ้นกายแล้วส่งไปให้ที่ใจผู้รู้ผู้คิดผู้มีผู้มีความสามารถที่จะรู้ที่จะคิดที่จะรับความรู้สึกต่างๆที่มาสัมผัสผ่านทางร่างกายได้เช่นพอ ตาได้สัมผัสกับรูปก็ส่งรูปนี้มาที่ใจผ่านทางกระแสของวิญญาณทางตาเรียกว่าจาักขุวิญญาณออพอไปถึงใจใจก็จะเริ่มใช้ความสามารถในการวิเคราะห์ตัวที่จะวิเคราะห์รูปที่ส่งม า, างจากทางร่างกายนี้ ก็เหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่เวลาได้รับภาพจากญานอมกาศาพอเห็นภาพนักวิทยาศาสตร์ก็จะเริ่มวิเคราะห์กันว่าอันนี้เป็นรูปอะไรเป็นรูปน้ำหรือรูปดินหรือรูปอะไรก็ตามมีการวิเคราะห์ขึ้นมาฉันใดใจก็มีผู้วิเคราะห์รูปที่เข้ามาทางตาผู้ที่วิเคราะห์นี้เราเรียกว่าสัญญาสัญญาแปลว่า การความจำได้หมายรู้ mm hmm. คือถ้าเกิดเป็นรูปที่เคยเห็นมาก่อน mm hmm. ก็จะจำได้เช่นเห็นคนนี้เคยรู้จักกันมาก่อน mm hmm. ชื่อนั้นชื่อนี้ mm hmm. พอรูปไปถึงใจปั๊บสัญญา mm hmm. ก็จะบอก อ, อ๋อคนนี้คือนายนั้นนายนี้ mm hmm. นี่คือผู้ที่เป็นผู้ที่จะวิเคราะห์รูป mm hmm. แล้วเวลาวิเคราะห์เสร็จแล้ว ก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นมากับรูปนั้นถ้าถ้าวิเคราะห์ว่ารูปนั้นเป็นรูปที่ดี<ม>ก็เกิดความสุขใจขึ้นมาความสุขขึ้นมาถ้ารู้ว่ารูปนั้นไม่ดีคนนี้มาเจอทีไรมาด่าเราทุกท<ม>ีก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันที<ม>นี่คือความสามารถของใจมีสัญญาการวิเคราะห์รูปเสียงกลิ่นรสผธพกะ แล้วก็มีเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดจากการได้วิเคราะห์วิเคราะ์รูปนี้ว่าเป็นสุขรูปนี้ดีคนนี้ดีคนนี้ช่วยเราคนนี้ให้ความสุขกับเราใจก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาแล้วเมื่อเกิดความสุขใจก็จะมี คำถามขึ้นมาว่าแล้วจะทําอย่างไรกับรูปนี้ดีควรจะพบเขาหรือควรจะหลบเขาถ้าเป็นรูปที่ดีก็ควรจะพบเขาก็จะสั่งสังขารความคิดนี้พอมีเวทนาความรู้สึกแล้วก็จะเกิดสังขารความคิดตรงแต่งขึ้นมาความคิดตรุงแต่งนี้เรียกว่าสังขาร เมตนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณนี่ยตัวสังขานี้คือความคิดปรุงแต่งพอรู้ว่าเป็นรูปที่ดีก็สั่งให้ร่างกายไปต้อนรับเขาไปทักทายเชิญเขาเข้ามาบ้านหรืออะไรก็ตามถ้ารู้ว่าเป็นรูปที่ไม่ดีเป็นภัยก็ปิดประตูบ้านป้องกันตัวเองสั่งให้ร่างกายเตรียมตัวป้องกันตัวเองขึ้นมาอันนี้คือหน้าที่ของสังขาร ที่อยู่ในใจไม่ได้อยู่ในร่างกายวิญญาณก็ไม่ได้อยู่ในร่างกายสัญญาก็ไม่ได้อยู่ในร่างกายเวทน า, ก, า, าก็ไม่ได้อยู่ในร่างกายสังขารก็ไม่ได้อยู่ในร่างกายอยู่ในใจใจที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาใจนี้เป็นเหมือนมนุษย์ล่องขนแต่มีความสามารถสี่อย่างนี้มีความสามารถคือรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสเรียกว่าวิญญาณ มีความสามารถวิเคราะห์รูปเสียงกลิ่นรสเรียกว่าสัญญามีความสามารถรับความรู้สึกจากรูปเสียงกลิ่นรสเรียกว่าเวทนาแล้วก็มีความสามารถที่จะคิดสั่งการให้ร่างกายทำอะไรอย่างใดอย่างหนึง่งเรียกว่าสังขารอย่างวันนี้ญาติโยมมาที่วัดนี้ได้ก็เพราะเริ่มต้นด้วยการมีสัญญา มีความจําว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์แลวเราได้ตั้งใจว่าเราจะมาวัดกันพอถึงเวลาสังขารก็สั่งให้ร่างกายพาให้ร่างกายออกเดินทางให้ขึ้นรถขึ้นอะไรขับรถมาหรือเดินมาสุดแท้แต่วิธีการของการเดินทางแล้วก็พามร่างกายให้มานั่งอยู่ที่ตรงนี้ได้อันนี้เป็นหน้าที่ของใจ ร่างกายเป็นเพียงผู้ที่รับคําสั่งถึงมีการมีการพูดว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนั่นเองใจเป็นผู้สั่งการแล้วใจร่างกายเป็นผู้รับการกระทํารับคําสั่งฉนั้นผู้ที่ผู้ที่กระทําการอะไรต่างๆนี้ไม่ได้ไม่ไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้เป็นเพียงผู้ที่รับนัรับคำสั่งเป็นเหมือนเครื่องมือ เหมือนกับรถยนต์กับคนขับรถคนขับนี้จะสั่งให้รถยนต์เคลื่อนไปไหนมาไหนให้ไปข้างหน้าให้ไปข้างหลังให้เลี้ยวซ้ายให้เลี้ยวขวาให้วิ่งเร็วให้วิ่งช้าให้หยุดอันนี้คนขับเป็นคนสั่งรถยนต์นี้เป็นเพียงแต่ผู้รับคาสั่งเวลาเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ไปชนคนตายใครเป็นผู้กระทาผิด รถยนต์หรืคนขับใครเป็นคนผู้ไปรับโทษผู้ที่ไปรับโทษก็คือคนขับคนขับเป็นคนสั่งให้ร่างกายขับไปด้วยด้วยความประมาทเช่นขับไปด้วยอาการมึนเมาดื่มสุราแล้วเมาแล้วก็ขับไปด้วยความเร็วสูงพอเกิดเหตุอัธหันก็ไม่สามารถที่จะควบคุมรถยนต์ให้จอดนิ่งสงบได้อย่างปลอดภัยก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นมา พอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงถึงสถานที่เกิดเหตุก็จะจับคนขับไปเบื้องต้นก็จะไปตรวจดูว่ามีมีแอลกอฮอล์อยู่ในเลือดหรือไม่ขับรถด้วยอาการมึนเมาหรือไม่เขาไม่ได้ไปจับรถยนต์รถยนต์ไม่ได้เป็นผู้กระทําเป็นเพียงเครื่องมือผู้ที่กระทําจริงๆก็คือคนขับ เพราะว่าถ้าไม่มีคนขับนี่รถยนต์นี้ไม่สามารถที่จะไปชนใครได้ไม่สามารถวิ่งไปไหนมาไหนได้รถยนต์นี้เป็นเพียงเครื่องมือผู้ที่ทํากระทาผิดนี้ผิดหรือถูกนี้ก็คือคนขับฉันใดฉันนั้นกับร่างกายกับใจใจก็คอยสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆบางทีก็สั่งให้ทําดีบ้างบางทีก็สั่งให้ทํา ไม่ดีบ้างสั่งให้ทาบุญบ้างสั่งให้ทาบาบ้างเวลาทาบุญนี้เราเรียกว่าสั่งให้ทาดีเพราะเวลาทาบุญนี้ไม่มีใครได้ได้รับอันตรายจากการทาบุญไม่ได้มีใครได้รับภยัยได้รับโทษจากการทาบุญการทาบุญนี้ทำให้เกิดประโยชน์ทำให้เกิดความสุข ต่อผู้เช่นวันนี้ญาติโยมนำเอาข้าวของต่างๆมาถวายวัดถวายพระเป็นการกระทำบุญเป็นการกระทำที่ดีเพราะว่าไม่ได้ไปทำให้ใครเสียหายเดือดร้อนแต่ไปช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้อันนี้เรียกว่าเป็นการทำบุญและผู้กระทำไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงขุนยนที่ใจเป็นผู้ใช้ให้ ให้เอาของต่างๆมาถวายให้กับวัดเท่านั้นเองร่างกายนี้เป็นหุ่นยนต์ผู้ที่ควบคุมหุ่นยนต์ก็คือใจผู้ที่จะทำผิดทำถูกทำบุญหรือทำบาปก็คือใจผู้ที่จะต้องรับโทษของบุญหรือของบาปก็คือใจไม่ใช่หุ่นยนต์หุ่นยนต์นี้เป็นเพียงแต่ทรับทรับหน้าที่ทําอะไรแทนแทนแทนร่างแทนใจเท่านั้นเอง อันนี้แหละคือเรื่องของการทำบุญหรือทำบาปเราเห็นเพียงครึ่งเดียวเราเห็นเพียงร่างกายว่าเป็นผู้กระทำแต่ความจริงแล้วถ้าเราวิเคราะห์ดีๆเราต้องเราก็จะรู้ว่าร่างกายนี้ถ้าไม่มีใครสั่งให้มันทำอะไรมันทำไม่ได้มันนั่งอยู่เฉยๆนี่มันลุกขึ้นมาไม่ได้ต้องมีใครสั่งให้มันลุกขึ้นมาก่อนผู้ที่สั่งนี้ก็คือ สังขารก็คือใจสังขารที่อยู่ในใจ mm hmm. นี่แหละคือผู้กระทำบุญหรือผู้กระทำบาปและผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาป ก, ก็คือใจไม่ใช่ร่างกาย mm hmm. ร่างกายนี้เดี๋ยวก็ถึงเวลามันก็ต้องตายไป mm hmm. ร่างกายไปนรกไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้แต่ผู้ที่จะไปนรกไปสวรรค์นี้ก็คือใจเพราะนารก รักสวรรค์นี่คืออะไรนรกหรือสวรรค์นี่ก็คือความสุขใจหรือความทุกข์ใจนีเวลาที่ใจสั่งให้ร่างกายทำบาปนี้ใจจะร้อนขึ้นมาทันทีใจจะทุกข์ขึ้นมาทันทีสังเกตดูเวลาเราไปพูดปดไปโกหกหลอกลวงใครหรือไปลักขโมยเข้าของเงินทองใครไปทำผิดกฎผิดระเบียบต่าง อะไรจะเกิดขึ้นก็ความไม่สบายใจเกิดขึ้น ท, ทันทีเพราะรู้ว่าถ้าเกิดใครเขารู้มาเขามีใครรู้มีใครเห็นเข้าก็อาจจะถูกลงโทษได้แล้วใจก็ไม่อยากจะถูกลงโทษเมื่อไ ม, ม่เมื่อไม่อยากจะถูกลงโทษมันก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมานี่แหละความไม่สบายใจนี่แหละคือนรกละเริ่มนรกเรื่อใบขึ้นมา หรือหรือว่าเวลาที่ใจสั่งให้ร่างกายทาความดีเช่นสั่งให้ร่างกายมาฟังเทศฟังธรรมในตอนนี้ฟังให้เอาเข้าวของเงินทองมาถวายวัดนี้ใจรู้สึกมีความสุขขึ้นมามีความสุขมีความสบายใจอันนี้แหละคือสวรรค์สวรรค์ตั้งแต่ยังไม่ตายนารกตั้งแต่ยังไม่ตายถ้าใจทุกข์ก็แสดงว่าใจเริ่มไป ไปทิศทางของนรกถ้าใจสุขสแสดงว่าใจเริ่มไปในทิศทางของสวรรค์แล้วการกระทาของเราทั้งดีและทั้งไม่ดีทั้งบุญและทั้งบาสนี้มันก็จะเก็บตั้งไปสะสมไปเรื่อยๆในแต่ละวันวันนี้เราอาจจะทำบุญพรุ่งนี้เราอาจจะทำบาปบางวันเราทำทั้งบุญทำทั้งบาปตอนเช้าก็สายบาปตอนเย็นก็ไปดื่มจรายาเมาไป ทะเลาะเบาแวงไปทุบไปตีคนนั้นคนนี้ขึ้นมาคะแนนเหล่านี้มันก็จะสะสมไว้ในใจของเราความสุขใจที่เกิดจากการทําบุญมันก็จะสะสมในใจของเราความทุกข์ใจที่เกิดจากการทําบาปมันก็จะสะสมอยู่ภายในใจของเราไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆจนถึงเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปพอร่างกายตายไป ความสุขที่เกิดจากการทำบุญที่ได้สะสมมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่เกิดจนตายกับความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาสมันจะมาบวกลบคูณหารกันเหมือนการทำบัญชีเราทำงานบริษัทนี้เขาจะมีบัญชีรายรับรายจ่ายพอสิ้นปีหรือเวลาที่เขาจะปิดบริษัทนี้เขาก็จะดูบัญชีว่ารายรับกับรายจ่ายอันไหนมากกว่ากัน ถ้ารายรับมากกว่ารายจ่ายก็ถือว่ากําไรมีเงินมีเงินเหลือใช้เอาไปใช้เอาไปกินเอาไปดื่มได้ถ้ารายจ่ายมากกว่ารายรับก็แสดงว่าขาดทุนก็ต้องไปใช้นี่สินนี่สินก็คือเงินที่เร า, เาใช้เกินไปแล้วเราไปกู้หนี้ยืมสินมาเราไม่มีเงินตอนปิดบริษัทรายรับไม่มีพอที่จะมีไปจ่าย นีสินได้เราก็ต้องไปใช้นี่สินต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันเวลาเราตายที่เราเรียกว่าจิตสุดท้ายเนี่ยจิตสุดท้ายก็เป็นเวลาที่เรามาปิดบัญชีบุญและบาปกันตอนนั้นเราก็จะไปทางใดทางหนึ่งดวงวิญญาณของเราก็จะเป็นไปทางใดทางหนึ่งไปสู่สุคติหรือไปสู่ทุกขติถ้าบัญชีบุญมากกว่าบัญชีบาปไป รายรับของบุญมากกว่ารายจ่ายของบาป mm hmm. บุญก็จะมีส่วนเหลือส่วนเกินใจก็จะไปสวรรค์ใจก็จะไปไปด้วยความสุขไปอย่างไปด้วยไปด้วยสุขติ mm hmm. แต่ถ้าบาปมีมากกว่าบุญ mm hmm. ใจก็จะไปสู่ทุกขติ mm hmm. ทุกขตินี้ก็มีแบ่งไว้เป็นสี่สี่สี่ช่องด้วยกันสี่ที่ด้วยกัน ที่แรกเราเรียกว่าเดลฉานไปเกิดเป็นเดราฉานเพราะเราอาจจะทำบาปมากทำอาชีพฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายอยู่ตลอดชีวิตพอตายไปรับประกันได้ไปเลยไปเกิดเป็นเป็ดเป็นไก่ไปเป็นวัวเป็นควายให้เขาฆ่าแทนบ้างเราฆ่าเขามามากแล้วพ อ, อถึงเวลาที่เราตายไปเราก็จะกลับไปเกิดเป็นเดาฉานขึ้นมาไปให้เขาฆ่าเราบ้าง แล้วฆ่าบัวกี่ตัวค่าเป็ดค่าไก่กี่ตัวแล้วก็ต้องไปเกิดเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นวัวกี่ตัวไปฆ่าร้อยตัวก็ต้องไปเกิดเป็นเป็นเป็ดเป็นไก่ร้อยตัวไปร้อยครั้งไปอันนี้คือกฎแห่งกรรมที่เราเรียกว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วผู้ที่รับผลบุญผลบาปนี้ไม่ใช่ร่างกายคือใจที่เป็น ร่างทิพย์กายทิพย์เป็นผู้ที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาแต่มีความรู้ความสามารถที่จะสามารถสั่งการให้ร่างกายทําอะไรต่างๆตามความต้องการของใจได้ <S <S 2> <S 2> ถ้าบัญชีบุญมัน บ, บัญชีบาปมีอยู่สี่ที่ถ้าทำบาปฆ่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเลี้ยงชีพของตนเองอันนี้จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะ ถ้าทำบาปด้วยความโลภอยากร่ำนวยอยากได้มากๆอย่างมีมากๆเนี่ยจะไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยมีแต่ความหิวโหยอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าเปรต ด, ดวงวิ ญ, ญญาณที่หิวโหยนี่เรียกว่าเรียกว่าเปรต ด, ดวงวิญญาณชนิดนี้แหละเป็นดวงวิญญาณที่จะมาขอรับส่วนบุญจากเพื่อนฝูงจากญาติพี่น้องเวลาญาติพี่น้องทำบุญก็บางทีจะมาจะมาเข้าฝันบอกว่าช่วยหน่อยช่วยหน่อย ไม่มีอะไรจะกินเลยช่วยส่งบุญไปให้หน่อย <Yeah. S 2> อันนี้แหละเป็นธรรมเนียมของชาวพุทธเราถ้าเกิดเราฝันเห็นคนตายนี่ก็เหมือนกับว่าเขามาขอส่วนบุญเราก็จะนิยมทำบุญใส่บาตรกันทำบุญถวายสังฆทานทำบุญอะไรแบบใดแบบหนึ่งก็ได้ <Yeah. S 2> ถ้าไม่มีวัดไม่มีพระทำบุญกับองค์กรสาธารณกุศลก็ได้ทาบุญกับโรงพยาบาลทำบุญกับโร ง, งเรียน ทำบุญกับใครก็ได้แล้วทำให้เราเกิดความสุขใจขึ้นมาก็แล้วกันความสุขใจนี่แหละคือบุญที่เราสามารถที่จะแบ่งไปให้กับผู้ที่รู้งับไปได้ด้วยการส่งไปทางกระแสสังขารของเรานี่แหละสังขารคือความคิดปรุงแต่ง<ม>พอเราทําบุญเสร็จล้วเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาเราก็เราลือกถึงคนที่เราอยากจะส่งอยากจะแบ่งบุญนี้ให้เขาาเลือกคนที่ ถึงคนที่ตายไปขอให้มารับส่วนบุญส่วนนี้นะทำไว้ให้สําหรับคุณแล้วถ้าคนรออยู่ก็ขอเชิญรับไปได้เลยดวงวิญญาณที่หิวโหยก็ได้รับส่วนบุญที่เราส่งไปก็จะกลายเป็นดวงวิญญาณที่สงบเย็นสบายชั่วคลาวระรับความหิวโหยระงับความทุกข์ทรมานใจได้เชื่อคล้าวก็อยู่กับว่ามีบาปมีความหิวโหยมี มีความโล้มมากเพียงมากน้อยเพียงไรบางทีครั้งเดียวก็อาจจะพอพอให้ไปเกิดในที่ดีต่อไปได้ให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ก็มีนี่คือเรื่องอ น, นิสงค์ของการอุทิศผลบุญส่วนบุญที่เราทํากันนี้ให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วแต่เราอาจจะไม่รู้เพราะเราไม่มียานอย่างทราบเราก็เราก็ทําเผื่อไว้ก็แล้วกันทุกครั้งที่เวลาที่เราทําบุญกันไม่ว่าจะเรื่องในโอกาสอันใด ทำบุญในวันปีใหม่ทำบุญในวันเกิดทำบุญในวันครบรอบอะไรต่างๆเราทำบุญแล้วเราสามารถส่งบุญนี้ไปให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้ถ้าเขาเป็นเปรตถ้าเขาเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยเขาก็จะมารับผลบุญนี้ได้มีมีดวงวิญญาณชนิดเดียวเท่านั้นที่จะมารับมารับผลบุญเพราะเขาเขาอยากได้บุญเขาก็เลยมาเรารับบุญ ส่วนเดราชฉานนี้เขารับบุญไม่ได้ mm. เดรัจฉานเขาก็หากินเองได้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานก็ไปหากินเองแล้วก็ถ้าเป็นดวงวิญญาณชนิดที่สามดวงวิญญาณที่หิวที่หวาดกลัวเ mm. พราะว่าเวลาอยู่ในโลกนี้เวลาเกิดความกลัวขึ้นมาก็มักจะไปทําบาปเพื่อระงับความกลัวเช่นเห็นงูเห็นงูเข้ามาในบ้านก็เอาไม้ตีมันตาย ทำนี้เรียกว่าทาบาปเพราะความกลัวพวกนี้เวลาตายไปดวงวิญญาณก็จะมีแต่ความหวาดกลัวนุศรุ้งเพราะหวาดกลัวตลอดเวลากินไม่ได้นอนไม่หลับตลอดเวลาพวกนี้ก็จะไม่มารอรับส่วนบุญแต่เขาไม่รู้จะทำอะไรเขาก็ต้องทนอยู่กับความกลัวนั้นไปจนกว่าบาปที่เขาทำนั้นมันหมดกำลังลงเขาถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้ แล้วดวงวิญญาณชนิดที่สี่ที่ทำบาปเพราะความอาฆาตพยาบาทเวลาใครทำอะไรเราให้เราไม่พอใจหรือทำทำร้ายเราทำความเสียหายให้กับเราเราก็จะคิดล้างแค้นขึ้นมาจองเวรจองกรรมอาฆาตพยาบาทฟันต่อฟันตาต่อตาถ้าเราไปทำร้ายเขาเพราะเขามาทำร้ายเราอันนี้จะทำให้ใจเราล้อนเป็นไฟขึ้นมา เราเรียกว่านารกความร้อนของไฟที่เกิดจากความอาฆาตพยาบาทจะทําให้ใจของเรานี้ร้อนตลอดเวลาร้อนด้วยเรื่องเราอาฆาตพยาบาทเกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้ชังคนนั้นชังคนนี้อยากจะทำร้ายคนนั้นอยากจะทําร้ายคนนี้นี่คือสภาพของจิตใจที่เกิดจากการทําบาปจะมีต่างกันด้วยเหตุที่ต่างกันทําบาดด้วยความหลง คิดว่าไม่เป็นไรเพราะต้องเลี้ยงเลี้ยงชีพทำทำบาปเพราะเลี้ยงชีพก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานทําบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเป็นเปรตทําบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นอสูรกายทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทก็จะไปนรกในนรกนี้มีแต่ความความทุกข์ร้อนใจกินไม่ได้นอนไม่หลับลองสังเกตดูเวลาที่เราโกรธใครนี้ กินไม่ได้นอนไม่หลับอยากจะฆ่ามันอย่างเดียวอยากจะทําร้ายมันอย่างเดียวอันนี้แหละเราก็ต้องตกนรกทั้งเป็นแล้วถ้าเราไปทำร้ายเขาจริงๆนี่มันจะยิ่งยิ่งยิ่งร้ายกว่านั้นอีกมันจะฝังอยู่ในใจของเราแล้วมันจะไปโผล่ตอนที่เราตายไปแล้วตอนที่ร่างกายตายไปแล้ววิธีโผลข่ของของของวิญญาณเหล่านี้โผล่ขึ้นมาแบบไหนก็คือโผล่แบบตอนที่เรานอนหลับนี่แหละ เวลาที่เรานอนหลับนี่ก็เหมือนเราตายชั่วคราวตอนนี้เรานอนหลับนี้ร่างกายอยู่นิ่ ง, งๆเฉยๆไม่ทำอะไรแต่ใจเราไม่นิ่งไปกับร่างกายใจเรายังเคลื่อนไหวไปตามอำนาจบุญอำนาจบาปของเราอยู่ด้วยการผลิตความฝันต่างๆขึ้นมามแต่สังเกตดูเวลานอนหลับนีเรามีความฝันกันและบางทีก็ฝันดี บางทีก็ฝันร้ายแล้วเราก็ไม่รู้ว่าทำไมเราถึงฝันดีเราถึงฝันร้ายเนี่ยพระพุทธเจ้ารู้ว่า<ม>การฝันดีของเรานี้เกิดจากการทำบุญ<ม>ทำความดีของเรา<ม>เวลาเราทำความดีในแต่ละครั้งนี้มันจะบันทึกไว้ในใจของเราแล้วเวลาเรานอนหลับนี้ใจของเราจะดึงความดีขึ้นมาคิดมาฝันกันคิดแต่เรื่องดีๆฝันแต่เรื่องดีๆเช่นเดียวกับเวลาที่เราทาบาป ทำบาบด้วยความกลัวทำบาบด้วยความโลภทำบาบด้วยความอาคาตพยาบาทมันก็จะบันทึกไว้ในใจของเราพอเวลาที่เรานอนหลับใจของเรามันก็จะเอาเรื่องไม่ดีเหล่านี้ขึ้นมาฝันเป็นเรื่องน่าหวาดกลัวอาจเป็นเรื่องน่าหวาดกลัวอาจจะเป็นเรื่องคับแค้นใจอาจจะเป็นเรื่องหิวโหวยอันนี้ก็เป็นเรื่องของของสวรรค์เรื่องนรกเนี่ยเวลาตายไปก็เหมือนตอนที่เรานอนหลับ เวลานอนหลับเราก็จะฝันกันฝันดีบ้างฝันไม่ดีบ้าง mm hmm. ก็ให้เรารู้แวนเถินว่านี่แหละคือหนังตัวอย่างเวลาที่เราตายจริงๆรนีรร่มันจะเป็นอย่างนี้ mm hmm. ถ้าเราฝันร้ายฝันไม่ดี mm hmm. เวลาเราตายไปดวงวิญญาณของเราก็จะก็จะฝันร้ายไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดกําลังของบาปที่ทําให้เราฝันร้ายเราถึงจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ผ่านลายในรูปแบบต่างๆในรูปแบบมีแต่เรื่องหวาดกลัวมีแต่เรื่องเครียแค้นหรือมีแต่เรื่องหิวโหวยนี่คือสภาพของดวงวิญญาณของผู้ที่กระทำบาปด้วยวิธีการต่างๆมันจ ะ, ะนโลกนี้ก็คือความฝันดีๆนี่อตอนที่เราตายไปร่างกายเราไม่มีแล้วใจมันก็จะเอาเรื่องราวต่างๆที่เราทําไว้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี้ มาปรุงแต่งมาฝันมาแต่งเป็นเรื่องเป็นราวเป็นนิยายขึ้นมาขึ้นอยู่กับเนื้อหาสาระที่เราได้สะสมเอาไว้ข้อมูลที่เราได้สะส ม, มไว้ว่าเป็นข้อมูลที่ดีหรือเป็นข้อมูลที่ไม่ดีถ้ามีข้อมูลที่ไม่ดีแเราก็เรื่องที่ไม่ดีมาปรุงแต่งมาฝันกลายเป็นเรื่องฝันร้ายไปถ้าเรามีข้อมูลที่ดีเราก็จะเอาเรื่องราวที่ดีมามาปรุงแต่งมาฝันเป็นเรื่องที่ดีไป เรื่องดีนี้ก็หมายถึงบุญที่เราทําไว้นั่นเองเวลาเราทําบุญนี้เราทําแต่เรื่องดีๆเราแต่สะสมเรื่องดีๆช่วยคนนั้นช่วยคนนี้ทําให้คนนั้นมีความสุขทําให้สิ่งนั้นสิ่งนี้มีเกิดประโยชน์สุขกับส่วนรวมหรืออะไรก็ตามความดีเหล่านี้มันจะสะสมฝังในในความจําของเราพอเวลาที่เรานอนหลับหรือเวลาเราตายไปเราก็จะเอาเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมาปรุงแต่ง เป็นเหมือนใจนี้เป็นเหมือนคนชอบแต่งนิยายแต่งเรื่องนั้นแต่งเรื่องนี้จะแต่งเรื่องดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ข้อมูลที่ได้ไปเก็บเอามาว่าเป็นข้อมูลที่ดีหรือไม่ดีนั่นเองเราถึงมีการฝันดีบ้างฝันไม่ดีบ้างนี่แหละคือตัวบ่งบอกถึงสภาพจิตใจของเราว่าเราอยู่ในสวรรค์หรืออยู่ในอบายกันเวลาที่เรานอนหลับ ถ้าเราฝันร้ายเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าใจเรานี้มีปัญหาใจของเรานี้ต้องไปสู่อบายอย่างแน่นอนแต่ถ้าเรานอนหลับแล้วมีแต่ฝันดีฝันดีมากกว่าฝันร้ายแสดงว่าใจของเรานี้ไปสวรรค์แน่นอนแล้วถ้าเราไม่ได้ฝันเลยนี้มันก็มีเหตุสาเหตุอยู่สองข้อบางทีใจมันเหนื่อยไม่มีแรงที่จะมากรุงแต่งมันก็ไม่ฝันในบางวันบางเวลา หรือถ้าไม่ฝันอยู่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ฝันอยู่เรื่อยๆก็อาจจะเป็นเพราะว่าใจได้ฝึกสมาธิมาทําใจให้นิ่งให้สงบคนที่ฝึกสมาธินี้ใจจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยปรุงแต่งเท่าไหร่ใจจะนิ่งสงบความนิ่งสงบของใจนี้ก็เรียกว่าอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมโลกสวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ที่เกิดจากการทําบุญทําทาน<ม>นี้ก็เป็นเรื่องราวของนรกและของสวรรค์ เรื่องราวของการทำบุญและทำบาปนี้เกิดจากใจเป็นผู้กระทำและผู้ที่จะไปรับผลของการกระทำก็คือใจไม่ใช่ร่างกายถ้าเราได้ยินได้ฟังเรื่องของใจแล้วเรื่องของวิญญาแล้วเราก็จะไม่สงสัยในเรื่องกฎแห่งกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี้หมายความว่ายอย่างไรเราหมายถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับใจนะ เราไม่ได้หมายถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายเช่นทำทำชั่วแล้วรวยหรือทําดีแล้วไม่รวยนีย่ก็มีบางคนบอกว่าบ่นว่าทําดีถ้าเป็นท้าบตายไม่ดิบไม่ได้ดิบไม่ได้ดีเลยคนทําชั่วได้ดิบได้ดีมีถมไปเห็นคนทําชั่วชอบโกลงลักทรัพย์ของผู้อืน่นมีเงินสามารถที่จะซื้อตํารวจซื้ออายการซื้อสารได้ซื้อคุกซื้อตารางได้ ไม่ต้องติดคุกติดตารางได้เราก็อาจจะทําให้เราไม่เชื่อกดแห่งกรรมว่าเอ๊คนทําชั่วนี้กลับอยู่อย่างสุขอย่างสบายแทนที่จะต้องไปติดคุกติดตารางก็ไม่ต้องติดคุกติดตารางเพราะมีเงินเงินที่ได้มาจากการทําชั่วนี่แต่ใจของเขานี่มันไม่มีความสุขหรอกรับประกันได้ใจของเรานี่ใจของเขาจะทุกข์เพราะเขาไม่เขายังต้องทําอะไรแบบหลบหลบซ่อนๆ อ, อ, อยู่ เขายังต้องมีความวิตกมีความกังวลอยู so ่ดจนี่แหละจะไปผู้รับผลบุญผลบาปไม่ใช่ร่างกายถ้าเราไปดูผลบุญที่ผ่านทางร่างกายผลของบาปผ่านทางร่างกายเราก็จะงงเพราะบางคนทำดีแทบเป็นแทบตายกลับไม่ร่าไม่รวยเลยบางคนทำชั่วตลอดชีวิตกลับได้ร่ำได้รวยได้ดิบได้ดีได้เป็นใหญ่ได้เป็นโตอันนี้ไม่ใช่เป็นเครื่องมัดของกฎแห่งกรรม ลาบยศสรรเสริญสุขนี้ไม่ใช่เป็นเครื่องวัดของการทําดีหรือของการทําความชั่วคนที่ทําชั่วเจริญในลาบยศสรรเสริญสุขกม็มีคนทําความดีที่จเจริญในลาบยศสรรเสริญสุข ก, ก, ก็มีเหมือนกันและในทางตรงกันข้ามคนที่ทําดีแล้วไม่ได้เจริญก็มีเหมือนกันมันอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมมันเรื่องของกฎของตายรักกฎของความไม่แน่นอน ลาบยศสารเสริญสุขนี้อยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังก็คือไม่แน่นอนทําดีถ้าเป็นแทบตายก็ไม่รวยทันทีก็ได้บางคนทําชั่วกลับได้ดิบได้ดีได้ล่ำได้รวยก็มีนี่เรียกว่าอนิจจังไม่แน่นอนมันไม่ใช่เป็นตัวที่จะวัดความความดีหรือความชั่วของเราที่เราทํากันผู้ที่จะรับตัวที่จะมารับ หรือว่าผลดีผลชั่วกรรมดีกรรมชั่วก็คือความรู้สึกในใจของเราเวลาที่เรานอนหลับแล้วเราฝันไปเนี่ยเราฝันแบบไหนกันฝันดีหรือฝันไม่ดีฝันไม่ดีก็แสดงว่านั่นแหละผลบาปมันกําลังแสดงตัวให้เราเห็นถ้าฝันดีก็แสดงว่านั่นแหละคือบุญผลบุญที่กําลังแสดงให้เราเห็นแล้วเวลาที่เราตายจริงๆคือนอนหลับไม่ตื่นหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีเนี่ย อันนั้นแหะเรียกว่าตายจริงไม่ใช่ไม่ใช่เพียงแต่ตายตายแบบชั่วคราวเวลาเรานอนหลับนี่เราเราเราตายแบบชั่วคราวพอตายแบบชั่วคราวพอเราตื่นขึ้นมาเราก็จะลืมเรื่องที่เราฝันไปแล้วเราก็จะดําเนินการไปหาสิ่งต่างๆมาตอบสนองความอยากของเราผ่านผ่านทางร่างกายโดยสั่งให้ร่างกายอยากจะดูอยากจะฟังอะไรแล้วก็สั่งให้ร่างกายไปดูไปฟังอยากจะได้อะไรก็สั่งให้ไปหา แต่ขอให้เราระมัดระวังเวลาที่เราอยากได้อะไรอยากจะทำอะไรถ้าเราเชื่อกฎแห่งกรรมก็อย่าทำด้วยวิธีทาบาปก็แล้วกันอยากจะได้เงินได้ทองก็อย่าไปลักทรัพย์ของผู้อย่าไปป้นไปจี้อย่าไปฆ่าผู้เพื่อจะเอาทรัพย์ของเขามาอยากจะได้ทรัพย์ก็ไปหาโดยวิธีสุดจริตไปทำหากินอ า, อาชีพที่สุดจริตที่ไม่ไปทำให้ใครเสียหายเดือดร้อน เราก็จะปลอดภัยจากการที่จะต้องไปรับผลบา and, ปนี่คือเรื <ding> th és, ่องของกรรมมีจริงหรือไม่บาปมีจริงหรือไม่บุญมีจริงหรือไม่มีจริงผู้กระทาบาปและผู้ที่รับผลบาปมีจริงหรือไม่มีจริงผู้ที่ทำบาปไม่ใช่ร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นผู้ตัวตัวการร่างกายเป็นเครื่องมือเครื่องมือนี้เขาไม่ไม่ไปจับไปลงโทษเขาจับคนที่ใช้เครื่องมือไปลงโทษ เหมือนที่เราเอามีดไปแทงคนอื่นตายนี่เขาไม่จับมีดไปขังในคุกในตารางเขาจับคนที่ใช้มีดนั้นไปเข้าคุกเข้าตารางกฎแห่งกรรมก็เหมือนกันกฎแห่งกรรมไม่จับร่างกายไปนรกไม่จับร่างกายไปสวรรค์แต่จับใจผู้ใช้ร่างกายนี้ไปทําบุญหรือไปทำบาปไปนรกหรือไปสวรรค์นี่แหละคือเรื่องราวของกฎแห่งกรรมที่เราอาจจะสงสัยกันมาว่ามีจริงหรือไม่ เป็นเรื่องโกหกหลอกรวมกันหรือเปล่าหลอกให้เราทำความดีเฉยๆเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่ามันมีจริงมันมีจริงมีตามที่ได้แสดงให้ฟังนี้ผู้ที่ทำก็คือใจและผู้ที่จะรับผลบาปก็คือใจและนอกจากเรื่องกฎแห่งกรรมนี้ยังมีอีกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับใจคือดวงวิญญาณด้วยว่าทำไมดวงวิญญาณของเราถึงยังต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อย เวลาเราตายไปเราก็ไปรับผลบุญผลบาปกันพอพ้นจากผลบุญผลบาปเราก็มารอรับร่างกายอันใหม่พอเราได้รับร่างกายอันใหม่เราก็มาใช้ร่างกายอันใหม่ไปพาเราไปทาอะไรต่างๆอีกต่อไปตัวที่พาให้เรายังต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงกลนพบว่าเกิดจากความอยากของเราโดยจากความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะ เรียกว่ากามะตัณหากามะคือกามะคุณห้ากามคุณห้าได้แก่อะไรก็ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผอทภะชนิดต่างๆพวกเราทุกคนนี้ไม่ต้องมีใครสอนให้เราไปหารูปเสียงกลิ่นรสกันมีแต่ดิ้นหากันทุกคนเลยเกิดมาตั้งแต่เด็กนี่ออกมาจากท้องแม่ก็เริ่มร้องหารูปเสียงกลิ่นรสแล้วเวลานอนอยู่บนเตียง หมดเพลมองไปขึ้นไปเพดานมองไม่เห็นไม่เห็นมีอะไรมีแต่เพดานว่างๆก็ร้องเพราะมันเบื่ออยากจะเห็นอะไรที่มีสีสันแปลกๆพ่อแม่อะไรก็ต้องไปหาอะไรมาขแขวนให้ให้ลูกได้ดูพอมีตุ๊กตามีอะไรขแขวนให้ดูมันก็เกิดความเพลิดเพลินขึ้นมาเกิดความสุขใจขึ้นมาก็หยุดร้องไห้กันแล้วเดี๋ยวสักพักก็เบื่ออยากจะได้อะไรอย่างอื่นอีกเดี๋ยวพ่อแม่ก็ต้องไปหาของเล่นชนิดใหม่มาให้เล่นอีก อันนี้แหละเรียกว่าการมาตัญหาความอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผดเถพระที่ไม่มีใครต้องสอนต้องสั่งเป็นของที่มันฝังมากับใจเป็น เ, เป็นระยะเวลายาวนานจนฝังเป็นนิสัยสันดานสันดานของสัตว์โลกที่ยังต้องมาเวียนว่ายตายเกิดนี้เพราะมีการมาตัญหาฝังลึกอยู่ในใจนั่นเองพอได้ร่างกายปุ๊บ ก, ก็จะใช้ร่างกายไปหารูปเสียงกลิ่นรสทันที แล้วถ้าไม่มีใครสั่งใครสอนคอยเตือน mm hmm. ก็อาจจะไปหาโดยวิธีที่ทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายหเดือดร้อน mm hmm. เพราะว่าไม่สามารถที่จะหาแบบที่ไม่ได้ทําให้ผู้อื่นเสียหายหเดือดร้อนได้อันนี้ก็จะทําให้ไปทํำบาปโดยไม่รู้สึกตัว mm hmm. อยากจะได้อะไรถ้าไม่มีเงินซื้อ mm hmm. ไม่มีงานทํา mm hmm. ก็ต้องไปลักไปขโมยของเขาเข้ามา อันนี้เกิดจากความอยากการมาตัญหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากในลาบยศสรรเสริญสุขไอตัวนี้แหละที่พาให้เราต้องกลับมาเกิดมามีร่างกายอยู่เรื่อยๆพ อ, พอตายไปเราก็ไปรับผลบุญผลบาปพอพ้นจากผลบุญผลบาปเราก็มารอรับร่างกายอันใหม่เหมือนกับเวลาเราออกเดินทางเนี่ยเวลาร่างกายตายไปดวงวิญญาณเราก็จะออกเดินทาง จากพบนี้ไปพบหน้าก่อนจะไปถึงพบหน้าคือชาติหน้าของการเป็นมนุษย์ก็อาจจะต้องผ่านสวรรค์หรือผ่านนรกก่อนเดินทางเหมือนเราเดินทางจากที่นี่ไปกรุงเทพเราก็ต้องผ่านแล้วแต่ว่าเราวิ่งสายไหนถ้าเราวิ่งสายสุุลมิตรเลียบทะเลเราก็จะผ่านเมืองต่างๆถ้าเราไปทางสายทางด่วนก็ไปผ่านไปอีกทางหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันเวลาที่ร่างกายเราตายไปนี้ ดวงวิญญาณของเราก็จะออกเดินทางไปสู่พบหน้าชาติหน้าเพราะเรายังมีความอยากยังอยากจะมีร่างกายอยู่ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผพถะนี่แหละเป็นตัวที่จะพาให้เราต้องไปใบรับร่างกายใหม่ไปมีร่างกายใหม่แล้วเราก็จะต้องผ่านผ่านบุญผ่านสวรรค์หรือผ่านนรกขึ้นอยู่กับว่าเราสร้างบุญหรือสร้างบาปไว้ในใจของเราถ้าเราสร้างบาปไว้ในใจมากกว่าเราสร้างบุญ เราก็ต้องไปทางผ่านทางนรกไปต้องไปอยู่ในนรกก่อนจนกระทั่งผ่านผ่านนรกออกไปถึงจะไปเกิดใหม่ได้ถ้าเราทําบุญมากกว่าทำบาปบุญก็จะดึงให้เราผ่านไปทางสวรรค์ก่อนไปสวรรค์แล้วเราก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ต่อไปแต่เรายังต้องเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายการเกิดแต่ละครั้งนี้มัน มันจะว่าดีก็ดีแต่ว่ามันจะว่าไม่ดีมันก็ไม่ดีเพราะว่าเวลามันแก่มันเจ็บมันตายนี่มันทรมานมากไม่มีใครอยากจะแก่ไม่มีใครอยากจะเจ็บไม่มีใครอยากจะตายแต่ก็จะพ้นไม่ได้จากการแก่การเจ็บการตายตราบใดที่เรายังไม่ได้รู้ว่าเหตุที่พาให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายนี้เกิดจากอะไรแล้วเราจะไม่มีวันรู้ได้ด้วยตนเองเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาค้น ค้นพบความจริงอันนี้ค้นพบว่าสาเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดของดวงวิญญาณของดวงใจของพวกเราล่านี้เกิดจากความอยากของเราอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดมาเกิดเป็นมนุษย์มาแก่มาเจ็บมาตายเราต้องมาละความอยากให้ได้หยุดความอยากอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลต่อพระให้ได้และวิธีที่เราจะละความอยากนี้ได้เราก็ต้องมีเครื่องมือ วิธีที่จะทำให้เราเลิกเสบรูปเสียงกลิ่นร้อก็คือเราต้องไปรักษาศีลถือศีลแปดกันไปเป็นไปเป็นนักบวชกันเพราะเวลาไปเป็นนักบวชเราจะห้ามใจเราไม่ให้ไปเสบรูปเสียงกลิ่นร้ mm hmm. เราเคยนอนหลับกับแฟนได้ในศีลห้าแต่พอเราถือศีลแป น, นี้ไม่ให้ร่วมหลับนอนกับใคร mm hmm. ไม่ให้หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรดของแฟนแล้วก็ไม่ให้กินอาหารมากจนเกินไป ให้กินเพื่อเลี้ยงร่่งกายได้แต่จะไม่ให้กินเพื่อให้เกิดความสุขใจจากการได้เสพได้ลิ้มรสรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารก็ให้กินเพียงวันละมื้อหรือวันแค่สองมื้อเป็นอย่างมากแต่ไม่ให้เกินกินไม่ให้เกินไม่ให้กินเกินเที่ยงวันไปแล้วก็ไม่ให้ไปหาความสุขจากมหรสะบบันเทิงต่างๆไม่ไปดูหนังฟังเพลงไม่ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆ ไม่ไปงานเลี้ยงอะไรต่างๆเพื่อที่เราจะได้ยับยั้งความอยากอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสไม่เสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่วิจิตพิสดารหรือด้วยเครื่องสมางต่างๆอันนี้ก็เป็นการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสของร่างกายที่สวยงามแล้วก็ถือศีลข้อที่แปะไม่ให้นอนมากเกินไปเพราะนอนมากเกินไปจะไม่มีเวลาที่จะมา หยุดความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดได้เพราะการจะหยุดความอยากในรูปเสียงกลิ่นได้กลิ่นลดนี้ได้นี่ต้องปฏิบัติทมที่เรียกว่าสมาธิและการที่เราจะนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้เราต้องมีเวลาเจริญสติต้องมีเวลามาคอยควบคุมความคิดต้องใช้พุทธโธพุทธโธพุทธโธหยุดความคิดให้ได้ น, นี่คือวิธีการที่พรเจ้าได้ทรงค้นพบว่าถ้าเรารู้ว่า การเวียนว่ายตายเกิดของพวกเรานี้เกิดจากความอยากของเราอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะชนิดต่างๆแล้วถ้าเราอยากจะหยุดความอยากเหล่านี้เราก็ต้องใช้วิธีที่พระเจ้าได้ทรงใช้มาคือต้องออกบวชหรือถือศีลของนักบวชเพราะพะพุทธเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินมีความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสตลอดเวลาแต่ก็รู้ว่ามันเป็นของชั่วคราว วันข้างหน้าพอแก่เจ็บตายก็จะไม่สามารถที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกดลิ่นรสผลทพะได้ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่จะต้องทุกทรมานใจเป็นอย่างยิ่งก็เลยทรงตัดสินใจว่าต้องเลิกความอยากในการเสพรูปเสียงกดลิ่นรสให้ได้จะเลิกได้ก็ต้องหนีจากรูปเสียงกดลิ่นรสไปไปอยู่ในป่าในเขาไปเป็นนักบวชก็เลยต้องสรละราชสมบัติ ท, ทิ้งหมด ทรัพสมบัติเก้าของเงินทองอะไรนี้ไม่เอาติดตัวไปเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนอกจากเสื้อผ้าที่สวมใส่ท่านเอง<ม>แล้วก็ไปบวช<ม>ไปบวชก็เราไปถือศีล ไ, ไปห้ามใจไม่ให้ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสแล้วถ้าห้ามใจด้วยการรักษาศีลห้ามทางกายทัางวาจาด้วยการรักษาศีลถึงแม้ว่าจะห้ามได้ทางกายทางวาจาแต่ใจมันก็ยังคิดอย่างอยู่<ม>ถือศีลแปดนิ้ม อาจจะไม่กินข้าวเย็นได้แต่ใจมันยังอยากกินอยู่เวลามันเกิดความอยากกินมันก็จะสร้างความทุกข์ทรมานใจให้กับเราวิธีที่เราจะทำให้ใจไม่อยากไม่อยากเสพรูปเสียงกลิ่นลดตามร่างกายเราก็คือเราต้องมาทำจิตให้นิ่งให้สงบนั่นเองต้องทำใจต้องทาใจให้สงบด้วยการนั่งสมาธิและการที่จะทำใจให้สงบเป็นสมาธิได้ก็ต้องมีสติเป็นผู้คอยควบคุมใจ ถ้าเรานั่งสมาธิแบบนั่งเฉยๆแล้วจะให้ใจสงบนี้โดยอัตโนมัตินี้มันเป็นไปไม่ได้ mm. เพราะใจมันไม่สงบเพราะการนั่งหรือการยืนหรือการเดินเฉยๆใจจะสงบได้อยู่ที่การมีสติยับยั้งความคิดปรุงแต่งได้หรือเปล่า mm. ถ้าเรายับยั้งความคิดปรุงแต่งได้ด้วยสติใจก็จะนิ่งสงบเป็นสมาธิพอเราหยุดความคิดได้ความอยากที่อยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นลดต่างๆมันก็จะหายไปชั่วคราว อันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องต้องการที่จะทำถ้าเราอยากจะยุติการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆพบนี้เป็นพบที่เท่าไหร่แล้วเราทราบไหมเป็นพบที่ไม่รู้กี่แสนล้านพบนะที่เราเคยมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายแล้วเราก็จะทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดพระพุทธเจ้าบอกว่าพบชาติที่เราได้ผ่านมานี้ถ้าเราอยากจะประมาณนับประมาณดูว่ามีมากน้อยเาไร ให้เราเอาน้ำตาที่เราหลั่งแต่ละพบแต่ละชาตินี้มารวบรวมกันทุกครั้งที่เรามาเกิดนี้เราต้องร้องไห้กันทุกคนร้องไห้เพราะความเศร้าโศกเสียใจครับแค้นใจหรืออะไรก็ตามน้ำตาที่เราหลั่งนี้พระเจ้าบอกว่าของแต่ละพบแต่ละชาติถ้าเรามารวบรวมกันแล้วเนี่ยมันจะมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนี่นีแหละคือปริมาณของพบชาติของการมาเกิดเป็นมนุษย์ของพวกเราเรียนว่าตายเกิดมานับจํานวนแสนล้านชาติแนละ้ว และยังจะดำเนินต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราจะได้มาเจอคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าที่ทรงค้นพบว่าสาเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดของดวงวิญญาณของเรานี้เกิดจากความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะแล้วถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องหยุดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสนี้ให้ได้และการจะหยุดนี้ก็ต้องใช้การเจริญศีลสมาธิและปัญญา ปัญญาก็คือรู้ว่าสาเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสแต่เราต้องหยุดมันสิ่งที่จะมาหยุดมันได้ก็คือสติกับสมาธิกับศีลเราหยุดเราหยุดความอยากทางกายทางวาจาด้วยการรักษาศีลไม่ไปดูไม่ไปฟังไม่ไปกินไม่ไปดื่มไม่ไปหาความสุขแต่ใจมันยังยังดิ้นอยู่เราจะต้องทําให้ใจหยุดดิ้นการที่จะทําใจหยุดดิ้นก็ต้องใช้สติหยุดความคิด หยุดความคิดได้นั่งสมาธิหลับตาใจก็จะนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาพอใจนิ่งสงบความอยากต่างๆก็จะหายไปหมดนี่แหละคือปัญหาของพวกเราที่เรามาเกิดกันเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่อย่างนี้เป็นปัญหาที่เราไม่รู้กันว่าเรามาได้อย่างไรและเราจะไปไหนต่อเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนามาได้ยินได้ฟังธรรมเราก็จะได้เกิดความรู้ความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับตัวเราว่าเรานี่แหละเป็นผู้ที่มาทําบุญมาทําบาปคือใจของเรานี่แหละเป็นผู้ทําบุญและเป็นผู้ทําบาปและเป็นผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปนารกหรือสวรรค์ก็คือความรู้สึกภายในใจของเรานี่แหละนรกนี้หรือสวรรค์นี้เป็นเหมือนเขาเรียกว่าแดนในลอมิสหรือแดนของความฝันนีเ่เพราะว่าตอนที่เราตายหรือตอนที่เรานอนหลับในใจเราก็จะฝันฝันดีหรือฝันลาย ฝันร้ายก็เป็นนรกฝันดีก็เป็นสวรรค์นี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องพบกันนะสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจสวรรค์เกิดจากการทำบุญนรกเกิดจากการทำบาปและการเวียนว่ายตายเกิดนี้เกิดจากการความอยากในการกามาตัญหาภาวะตัญหาวิภวะตัญความอยากในการือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเราต้องหยุดความอยากเหล่านี้ด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิและปัญญา ถ้าเราปฏิบัติศินสมาธิปัญญาได้เราก็จะระงับการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปนี่แหละคือเรื่องราวที่เราจะได้ยินจากการฟังเทศฟังธรรมที่จะช่วยกาจัดความสงสัยต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้อง แล้วจะทำให้เราดำเนินชีวิตของเราไปในทิศทางที่ถูกต้องที่จะพาเราให้เราไปหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสักลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังปกัปติ ยึดชี้ตังปัธิตังตุหังทิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันะระโสยธาเมณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัชฉันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภาวะตวันตาลายุสุขีตีคายุโกภวะ อาพิวาทานสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจตารโธรรมวะทานติอายุวันโสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงที่สะดวกที่สุด เพราะถ้าเราเลิกแล้วก็จะไม่สะดวกที่จะพูดคุยกันเพราะต้องมีการกระทำอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือถ้ามีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทางยูทู e ก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ วันนี้มีผู้รับฟังธรรมะนากุฏจากทางเฟ e บุ o กพระอาจารย์สุชาติ462ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์302 YouTube Dr.V Channel 56วิทยุออนไลน์10 c l ับ h o u s e 5นากูด190รวมทั้งหมด 1,025 ท่านค่ะมีคำถามฝากถามจากผู้รับฟังนากูดค่ะ การกระทาทางวาจาด้วยความโกรธโ ด, ดยการดุดาดูถูกกล่าวคำหยาบและทวงบุญคุณทำให้ผู้ฟังเศร้าเสียใจเป็นบาปหรือไม่คะเป็นถ้าเป็นวาจาและเป็นการกระทาทางร่างกายนี่เป็นบาปด่าเขานี่ก็บาปแนละ้วเพราะทาให้เขาเสียใจทำให้เขาทุกข์ใจได้คาถามจากผู้รับฟังนะกดอีกท่านคะ่ะ กาบเรียนถามค่ะการที่เราถือทิศการนอนจะไม่หันหัวไปทางทิศตะวันตกถือว่าเราเป็นคนยึดมั่นถือมั่นหรือไม่คะยึดถืออะไรเหรอเราก็ไม่รู้เหมือนกันยึดถือเรื่องเรื่องทิศทางก็ถ้านอนทิศไหนก็ได้มันก็ไม่ยึดใช่ไหมถ้าต้องยึดต้องนอนทิศนั้นทิศนี้มันก็ถือว่ามันก็ยึดเรื่อง คำถามที่สองพี่สาวเป็นผู้สม่ำเสมอในการปฏิบัติธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมแต่น้องๆมองว่ายังไม่ลดโลบโกรธหลงเพราะเวลาโกรธจะมโหอย่างรุนแรงใครควรจะแก้ใครควรจะแก้ไขและแก้อย่างไรเพราะมักถูกต่อว่าปฏิบัติธรรมไม่ช่วยอะไรก็ยังปฏิบัติไม่ครบนั่นเองต้องมีปัญญาด้วยต้องฝึกทางด้านปัญญาด้วย ให้รู้ว่าความโกตรธตรงเราเกิดจากความอยากของเราพอเราอยากได้อะไรพอไม่ได้ดังใจอยากก็จะโกรธวิธีที่จะแก้ความโกรธก็คืออยา่าไปอยากให้ยินดีตามมีตามเกิดใครจะทาอะไรใครจะพูดอะไรก็ปล่อยเขาพูดไปทําไปถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาพูดดีทาดีกับเราเขาพูดไม่ดีทาไม่ดีเราก็จะไม่โกรธเขาเพราะเราไม่ได้ไปหวังอะไรจากเขาต้องฝึกทางปัญญามาก เราควบคุมคนไม่ได้บังคับให้คนเขาคิดดีพูดดีทดําดีกับเราไม่ได้บางทีเขาก็อาจจะคิดดีพูดดีทดําดีบางทีเขาก็จะไม่คิดดีพูดดีทําดีเพราะเขาเป็นของที่ไม่แน่นอนข้อที่สามการให้อย่างใดได้บุญมากกว่าระหว่างให้กับคนที่ไม่อยากได้กับให้กับคนที่อยากได้คะ่ะคือคนให้นี้ได้บุญเท่าเท่ากันะอยู่ ให้มากให้น้อยบุญมากบุญน้อยอยู่ที่การให้ของคนให้คนให้ร้อยหนึ่งกับคนให้200คนให้200นี่ก็ถ้าให้200นี่มันมากกว่าได้ได้ให้ร้อยหนึ่งคนคนเดียวกันนะแเมื่อเราทําบุญร้อยหนึ่งกับทําบุญ200ร้าบุญ200นี่ได้บุญมากกว่าได้เกิดความสุขมากกว่าแต่คนรับนี่จะให้คนที่เขาไม่เดือดร้อนก็ได้หรือให้เขาเดือดร้อนก็ได้แล้วแต่สาเหตุของเราว่าเราจะให้ด้วยอะไร บานทีคนเขาไม่เดือดร้อนแต่เขามีบุญคุณกับเราเราอยากจะทดแทนบุญคุณให้กับเขาอันนี้เราก็ให้เขาได้เระั้นเรื่องเรื่องบุญนี้ไม่ได้อยู่ที่คนรับอยู่ที่อยู่ที่การให้อยู่การปริมาณของการให้ว่าให้มากให้น้อยให้น้อยก็ได้บุญน้อยให้มากก็ได้บุญมากคาถามจากจากผู้รับฟังนา้ากูดค่ะ กรรมของคนที่ฆ่าตัวตายคืออะไรคะหลังจากฆ่าตัวตายแล้วต้องเจออะไรบ้างก็ไปนรกเลยเพราะเวลามันโกรธมันฆ่าด้วยความโกรธฆ่าด้วยความแค้นและฆ่าด้วยความเสียใจก็ใจมันก็จะร้อนใจก็จะเป็นนรกไปคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ ใจิตใจคนเราเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังใช่ไหมคะถ้าเราจะคิดแต่เราเบรกไว้หยุดคิดได้อย่างนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะได้ถ้าหยุดคิดได้ก็ดีนี่จะหยุดคิดได้เรื่อยไปหรือเปล่าหรือหยุดได้เป็นบางครั้งบางคราวเอามายก็คือคนจะหยุดคิดให้ได้ตลอดเวลาคำถามจากทาง f a c e b o o k คะ่ะ <c oughs> ขอคำแนะนำพระอาจารย์ว่าถ้าไปวัดกับเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นคนมีน้ำใจกระตันยูน่ารักแต่ไปวัดแล้วชอบไปนั่งคุยกับคนอื่นเราพยายามไปชวนเขาไปในศาลาเพื่อร่วมสวดมนต์สมาทานศีลอะไรแบบนี้เพื่อนบอกว่าสมาธิสั้นยังเข้าไปแบบนั้นไม่ได้เราควรวางอุเบกขาแล้วปล่อยเขาไปหรือลองพูดชวนอีกสักครั้งสองครั้งดีคะ ก็ดูว่าชวนเขาได้หรือเปล่าถ้าชวนเขาไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติคะ่ะเมื่อจิตเราต้องรับผลกรรมตามที่ทำแล้วจนถึงเวลาที่ได้กลับมาเกิดใหม่ตามแรงของความอยากแต่ก็ยังมีผลกรรมที่เป็นบุญหรือบาปติดมาอีกหรือไม่เกิดจากสาเหตุใดหรือยังมีผลที่ยังหลงเหลืออยู่คะก็มันยังมีเจ้ากรรมลายเวนถ้าเราไปทบาบา คนที่เขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรถ้าเขาเจอเราเขาต้องการที่จ ะ, อะจองเวรกับเราต่อไปเช่นเดียว่าถ้าเราเคยทำบุญมีบุญมีคุณกับใครพอเราไปเจอเขาเขาก็อยากจะตอบแทนบุญคุณให้กับเราอันนี้ยังไม่หมด คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธเริ่มนิ่งดูลมเข้าออกปลายจมูกรู้ว่าลมละเอียดบางครั้งเหมือนกําลังเดินเข้าถ้าแต่รู้สึกกลัวและพุทโธต่อนั่งสมาธิต่อไปได้ขอพระอาจารย์ชี้แนะด้วยค่ะสาธุค่ะไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกเหมือนดูหนังผีใจเราเป็นเหมือนจอทีวีสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาในใจก็เป็นเหมือนภาพในจอทีวี มันทำลายเราไม่ได้ทำลายเราไม่ได้เราให้เรายึดถ้าเกิดความกลัวก็ให้ท่องพุทธโธ ท, ทำโมสังโฆไปเราเลิกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปอย่าไปคิดถึงภาพที่ทำให้เรากลัวเดี๋ยวสักพักหนึ่งภาพนั้นก็จะหายไป คำถามจากทางยูทู e พระอาจารย์สุชาติค่ะการทำบุญใส่บาตรทุกเชา้าถ้าเราใส่บาตรพระเมื่อวาน5รูปแต่วันนี้ใส่บาตรพระสองรูปเราได้บุญเท่ากันหรือไม่เจ้าคะและถ้าเรากินเจแต่เราใส่บาตรด้วยอาหารข้าวเราบาปหรือไม่เจ้าคาะเรื่องถอยพระก็เอก็อย่างที่บอกอมันไม่ได้อยู่ที่คนรับว่ารับกี่คนอยู่ที่ว่าเราให้มากให้น้อย สมาติเราเคยถวายห้าห้ารูปแต่มาสองรูปเราก็ให้ให้ของห้ารูปไปฝาให้กับพ้าสองรูปไปเราก็จะได้บุญเท่าเท่าเดิมแต่ถ้ามีผ้ามาสองรูปเราทําแค่สองรูปเราให้ไปแค่สองรูปสองส่วนเราก็ได้เราก็ได้บุญน้อยกว่าอยู่ที่เราให้มากให้น้อยม่ได้อยู่ที่ผลลับว่ามากหรือน้อยแล้วส่วนเรื่องของการกินเจเรากินเจเราแต่เรา ใชบาปใช้อาหารสัตว์บาปไหมถ้าเราไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่บาปถ้าถ้าเราไปซื้อเนื้อสัตว์ที่ขายในตลาดแล้วมาทำอาหารนี้ไม่บาปแต่ถ้าเราฆ่าเองนี่บาปือสั่งให้เขาฆ่าก็บาปเช่นไปไปจองไปจองที่ร้านบบพวกนี้ขอไก่สองตัวอย่างเงี้ยนี่บาปเพราะเราไปสั่งเขาให้ฆ่ามาให้กับเราแต่ถ้าเราไม่ได้สั่งเราไปที่ร้านเราไปดูว่ามีเนื้ออะไร เรามีเนื้อที่เราอยากจะได้เราก็ซื้อมาไม่มีเราก็ไม่ซื้ออย่างนี้ไม่บาปบาปเกิดจากการฆ่าไม่ใช่เกิดจากการกินกินเนื้อสัตว์หรือกินกินผักนี่เท่ากันถ้ามันถ้ากินผักมันดีกว่าคนกินเนื้อนี่พวกอัวควายมันก็ต้องดีกับคนนั้นเลยอู๋ควายมันต้องได้บุญมากกว่าเพราะมันกินกินยุ่งกินหญ้าตลอดเวลาแตมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องกินมันอยู่ที่การกินอยู่ที่การกระทําอยู่ที่การฆ่าหรือไม่ฆ่า ถ้าเราไม่ฆ่าแ ล, ไ ม, าแลไม่บาปกินอะไรไม่สำคัญกินเนื้อก็ไม่บาปถ้าเป็นเนื้อที่เราไม่ได้ฆ่าเนื้อที่มันตายแล้วคำถามจากทาง y youtube พระอาจารย์สุชาติคะ่ะสังเกตจิตใจไม่อยู่กับกายตนเองชอบคิดไปกับสิ่งต่างๆคิดดีบ้างไม่ดีบ้างส่วนใหญ่จะชอบคิดไปในทางที่ไม่ดีจะมีวิธีการแก้ไขกับความคิดที่ไม่ดีได้อย่างไรเจ้าคะก็ต้องสร้างสติขึ้นมา เราไม่มีสติไม่มีเบรกของใจเบรกสตินี้เป็นเหมือนเบรกของรถยนต์รถยนต์นี้จะหยุดได้ก็ต้องมีเบรกถ้าไม่มีเบรกมันก็วิ่งไปเรื่อยๆใจก็เหมือนกันถ้าไม่มีสติมันก็จะคิดไปเรื่อยๆังนั้นถ้าอยากจะหยุดคิดก็ต้องต้องพยายามสร้างสติขึ้นมาด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจพอรู้ว่าเรากําลังไม่มีเบรกและกำลังคิดไปอยากจะหยุดความคิดก็ต้องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไป แย่าต้องท่องไปเรื่อยๆจนกว่าความคิดจะหยุดถ้าไม่หยุดก็อย่าเพิ่งหยุดท่องเหมือนขยับเบรกถ้ารถยังไม่หยุดเอย่าเพิ่งไปถอนเบรกเหยียบไปเรื่อยๆเป็นกว่ารถจะจอดนิ่งแล้วเราค่อยปล่อยเบรกได้คําถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะการทํางานคือการปฏิบัติธรรมคือเราจะทํางานอะไรให้เรามีสติระลึกถึงพุทโธแบบนี้ถูกไหมครับก็มันก็ได้สติแต่ได้เครื่องเดียวถ้าเราทํางาน แล้วเราใช้สติเพราะเรายังต้องใช้ความคิดอยู่ใช้ความคิดกับการทำงานอยู่ก็ได้ได้ได้สติเพียงครึ่งเดียวได้สติได้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แต่เราก็แต่เรายังไม่ได้หยุดความคิดต้องทำงานแบบไม่ต้องไม่ต้องใช้ความคิดเช่นกวาดบ้านถูบ้านนี่เราสามารถหยุดความคิดได้มีสติแล้วก็ไม่คิดกับงานที่เราทำได้ คำถามจากทาง y o u t u ู e พระอาจารย์สุชาติค่ะวิบากกรรมที่ได้เกิดเป็นหมาเป็นเพราะได้เคยฆ่าหมาไว้เท่านั้นหรือคะหรือมีสาเหตุอื่นด้วยอันนี้ก็ต้องไปถามพระพุทธเจ้าอู่กว่าเราก็ไม่รู้อย่าฆ่ า, าดีที่สุดก็แล้วกันคำถามจากทางเฟ e บุ๊ k ค่ะ จิตหนูนั้นสร้างกิเลสต่างๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบรับสิ่งกระทบแล้วนํามาเป็นอารมณ์จิตไม่เป็นกลางมองดูทันบ้างลงไปรับอารมณ์บ้างขอความเมตตาพระอาจารย์เทศนาสอนเจ้าค่ะไม่มีสติไม่มีสมาธิตุกสตินั่งสมาธิพอใจสงบแล้วใจก็จะเป็นกลางเป็นอุเบกขาและเฉยๆไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลง ยังไม่มีคําถามถ้าอยากจะละหยุดความโลภความโกรธความหลงต้องฝึกสติเพราะความโลภความโกรธความหลงมันเกิดจากความคิดถ้าเราไม่คิดมันก็โลภโกรธหลงไม่ได้พอเราคิดปับ๊บมันก็จะเริ่มโลภโกรธหลงขึ้นมาทันทีพอคิดถึงขนมก็อยากกินขึ้นมาทันทีพอคิดถึงคนนห้คนนี้ก็อยากจะเจอเขาแล้วอยากจะด่าเขาขึ้นมาทันทีพอเราหยุดคิดได้ความโลภความอยากต่างๆมันก็จะหายไป แล้วถ้าเราทำใจให้นิ่งเฉยได้ต่อไปเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยกับสิ่ ง, งตา่างๆเห็นอะไรก็ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงรู้เฉยเฉยต้องฝึกสติฝึกสมาธิให้มากๆให้ใจสงบเป็นอุเบกขาขึ้นมายังไม่มีเข้ามาใช่ไหม ย, ยังค่ะมีใครอยากจะถามอะไรไหมตอนนี้ ถามได้นะอย่ามาถามตอนที่เราเลิกนะเีรยะเดี๋ยวจะไม่สะดวกที่จะตอบเพราะว่าตอนนี้ยังนั่งเฉยๆกันอยู่การคุยธรรมะนี่มันต้องคุยในสภาพที่สงบนิ่งจะได้ประโยชน์ถ้ามาคุยธรรมะใ น, นตอนที่มีการเคลื่อนไหวมีการกระทำอะไรต่างๆนะี่มันจะกระทืกอกโคม คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะถ้าเราจะสละครัวเรือนที่มีลูกมีสามีมีแม่มีพี่น้องโดยที่ตัวเราจะออกบวชถือเป็นการทิ้งภาระทั้งหมดให้คนข้างหลังหรือเปล่าคะาเราก็ต้องหาคนมาทําหน้าที่แทนเราสิหาผัวมาให ม, หม่เมียใหมก็ทําทำหน้าที่ให้เราแล้วก็ค่อยไปอีกคาถามหนึ่งค่ะลูกดื้อเกิดจากกรรมแบบไหนคะ ก็เป็นสันดาลของเขานะเน่ะเขาเป็นคนขี้ดื้อก็มันมันก็ติดมาเป็นนิสัยของเขาคำถามจะพูดรับฟังนะกุดค่ะขอทราบวิธีการนั่งสมาธิค่ะก็เลยให้มีสติพุโทโธพุทโธไปหยุดความคิดแล้วนั่งก็อย่าไปคิดอะไรนั่งแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆกายก็จะสงบเป็นสมาธิขึ้นมา คำถามจากทาง y o u t u ด็อเตอร์ีค่ะแม่ผมดุหลานชายจนร้องไห้แล้วผมพูดว่าแม่ทำให้หลานร้องไห้แม่โกรธผมมากจนแม่ร้องไห้อย่างนี้ผมบาปหรือไม่ครับก็ไปทำให้เขาทุกข์ก็บาปนีคําำถามจากทาง a ฟ e b o o k ค่ะถ้าหากว่าเราโดนมองว่าเป็นคนไม่ดีจากคนที่เราไปทะเลาะด้วยแล้วเขาไปเล่า แต่ในแง่ที่เขามองเราควรทำตัวอย่างไรคะทำใจไงเราห้ามเขาไม่ได้เขาจะพูดอย่างไรเราไปควบคุม บ, บังคับเขาไม่ได้ทางที่ดีก็อย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าแล้วเขาก็จะไม่มายุ่งกับเราคำถามจากทาง u t u b e พระอาจารย์สุชาติค่ะถ้าที่บ้านไม่สงบทำอย่างไรครับถ้าไม่ปรีกวิเวกก็ทำตัวเราให้สงบก็แล้วกันเขาไม่สงบก็เรื่องของเขาไป คำถามจากทางยูทู e พระอาจารย์สุชาติค่ะกำจะกมจะแสดงอย่างรุนแรงก่อนตายถูกไหมคะไม่รู้เหมือนกันนะเขายังไม่ตายตอบไม่ได้หมแล้วเลยอยังยังไม่มีขึ้นมาค่ะไม่มีก็เอาท่านนี้ก่อนนล้นะขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิิจพิจารณาไปปฏิบัติ